ง่ายยังง่ายเรือยงง่ายนะง่ายที่สุดเลยเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติแนละ้วอะไรก็ไม่รู้ยากจริงง่ายสุดๆเลยไม่ได้ทำอะไรเช่กหน่อยใจของเราต่างหากมันแอบไปทำหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่รู้ทันใจตัวเองคอรู้ไปเรื่อยเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าบอกว่าเดิมเขาฝึกแนวอภิธรรม แนวสายจันแนกนี่พอบอกให้หัดเจริญสติเข้าไปด้วยเ้วก็รู้อิิยาบทสี่ที่เคยฝึกนั่นแหละแต่รู้อิธิยาบทสี่ด้วยจิตใจที่มันรู้สึกตัวมีสติ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไปงานศพนี่ไปช้าเข้าวัดแนละ้วเห็นในใจเนี่ยมันวิ่งนําหน้าไปก่อนเหมือนวิ่งไปที่สาราตั้งศพอะ่ะ <c oughs> พอไปเห็นทันว่าใจวิ่งกําลังร้อนใจนะว่ามาสาย เห็นใจวิ่งไปที่สาลาตั้งตบปุบพอรู้ทัน ก, ก็ขาดนะใจก็ตื่นเบิกบานขึ้นมานจริงๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยคือจิตเนี่ยโดยตัวของมันมันดีอยู่แล้วนะมันผองใสอยู่แล้วเบิกบานประพัดสอนมนนีกิเลสมันเข้ามาแทรกเรารู้ไม่ทันถ้ารู้ทันนะจิตเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจิตผ่งใสเบิกบานเรียนรู้ต่อไปอีก จะตั้งจิต ท, ที่เบิกบานจิต ท, ที่ผ่องใสก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อากใยไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องปล่อยวางเบื้องต้นก็เห็นมันไม่ใช่เราเบื้องปลายก็ปล่อยวางมันได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่ก็ได้พระัสดบันปล่อยได้ก็เป็นพระอรหันต์ทำไมถึงเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราก็เห็นตัวจริงของมันเห็นเลยมันวิ่งไปวิ่งมาได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานตลอดวันตลอดคืน เราบังคับมันไม่ได้เราเห็นความจริงักวันหนึ่งก็แจมแจ้งขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราบังคับเขาไม่ได้ไเที่ยงเข้ารู้เข้าดูต่อไปเราก็จะ ค, ค่อยค่อยพบว่าเออถ้าเมื่อไหร่จิตของเรารู้สึกตัวตั้งมั่นรู้สึกตัวมันจะมีความสุขเมื่อไหร่จิตของเราหลงไปไหลไปมันจะมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้เห็นยัง <c oughs> รู้สึกตัวอยู่มันไม่ทุกข์นะ ความทุกข์เกิดที่เผลอเนี่ยเองนี่เราก็จะพยายามรู้สึกตัวขยันรู้สึกตัวเรื่อยๆอันนี้ก็ยังเป็นความเข้าใจผิดอีกแหละจึงจิตหนึ่งก็จะเห็นความจริงตัวจิตนะมันตัวทุกข์มันจะเป็นตัวดีตัววิเศษไปไม่ได้หรอกแต่ความรู้ความเข้าใจของเราจะค่อยๆพัฒนาซึ่งเป็นขั้นๆไปนะเบื้องต้นก็เห็นก่อนนะมันเกิดแล้วมันดับนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แพ้จิตเบื้องต้นเห็นแค่นี้ เบื้องกลางก็เห็นว่าเออถ้ามันเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ทุกข์ถ้ามันหลงไปไหลไปถึงจะทุกข์เบื้องปลายเห็นว่าจะไหลหรือไม่ไหลมันก็ทุกข์นั่นแหละถ้ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นขันนี่ะถ้าเมื่อไหรเห็นขันห้าเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะ้วรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาก็จะหมดไปเองรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะะสมุทัยเป็นอนทุกขะไปเอง ้ไงไน้องคือร่าทานมีความรู้สึกรรู้สึกตัวอะไรนะรู้สึกอะไรนะวรู้สึกตัวครับเออคือหมายความว่าเวลาที่มีความรู้สึกตัวมันก็ด้ อ, อยู่นะครับแต่พอเวลาไม่รู้สึกตัวมันก็เลยมีความรู้สึกแบบเหมือนมัอยากมีความรู้สึกตัวก็เลยอ๋อเอเอไอนั่นไม่ใช่ทุกเพราความรู้สึกตัวนันทุกข์เพราะอยากรู้สึกตัวก็เลย ไม่ใช่นะที่หนองสรุปออกมาเนี่ยนะคือความอยากจะรู้สึกตัวนะฮะทาให้หนองทุกข์แต่พอหนองรู้สึกตัวแล้วหน่องไม่ทุกข์รู้สึกไหมเห็นไหมยังไม่ใช่ว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะคนล่านกันนะอันนี้แค่อยากรู้สึกตัวมันไม่รู้สึกตัวก็เลยทุกข์แต่พอรู้สึกตัวขึ้นได้รู้สึกไม่ทุกข์ละรู้สึกไหมยังมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นแจมแจ้งปัญญาแจมแจ้งมีแต่ทุกลวดเลย จะรู้สึกตัวหรือจะไม่รู้สึกตัวก็ทุกข์เหมือนกันเลย่ความรู้สึกตอนนี้คือมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นยังไม่เห็นมันเหมือนใบของมันอ่มันถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งตัวทุกข์รู้ไปเรื่อยไม่ใช่ภูมิของเราจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะของเราแค่เห็นว่าเออถ้ามันอยากมันยึดมันทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์เนเห็นอย่างนี้รู้ไปเรื่อยสุดแลเห็นเออมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราปล่อยความเห็นผิดทําลายความเห็นผิด เป็นท่าโซดาดูต่อไปอีกใจค่อยๆเด่นเด่นสิ่งที่ห่อพุ้มแปลกปลอมเข้ามาค่อยๆถูกลอกออกไป ม, มันเหมือนเราลอกกลับด้วยลอกไปด้วยในสุดเข้าไปถึงตัวแท้ของมันที่ว่างสบายรู้สึกว่าว่างสบายนี่จิตของเราแท้ๆเป็นตัวดีเป็นตัวสุขนี่เป็นเป็ น, ปนมิจฉาทิจีละเอียดเลยนะเป็นความเห็นจิตในขั้นละเอียดเลยวันใดเห็นว่าโอ้กระทั่งตัวจิตล้วนๆนที่ว่าดีวิเศษแล้วนั้น ตัวทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์จริงๆแพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์เราจะรู้สึกได้แค่ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี้ก็ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าไม่เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์อะไรจิตใจก็เหมือนกันรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเผลอไปไปอยากไปยึดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์เนี่ยยังไม่แจ้งนะเอี่ยละเรื่องกัน ให้ดูไปน้ามันไม่ใช่ภูมิของเรานะใช่คัะรู้สึกลับและเมตตาของผู้เป็นพระอาราหารันต์เป็นไรนะรู้สึกเปอย่างนั้นเองต้อง <c oughs> ไปถามองค์ไหนท่านเป็นพระอราหันต์ไปถามเรานะเราฝึกของเราไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งเราเข้าใจความจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือรูปกับนามกายกับใจนะจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกกระทาดข้างนอก เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลนะเป็นอนุเล็กๆของจักรวาลนันหนึ่งแต่ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราไปขโมยเอามาขโมยธรรมชาตนะิรูปนามส่วนหนึ่งของจักรวาลออกมาเรียกว่าตัวเราขึ้นมามีตัวเขาขึ้นมาแต่พอเราหัดเจริญสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเรื่อยๆวันหนึ่งเห็นกายนี้ใจนี้กับโลกข้างนอกก็อันเดียวกัน เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันอย่างกายนี่ก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนกับแผ่นฟ้าแผ่นดินอะไรเหมือนกับคนอื่นสัตว์อื่นนั่นเองส่วนจิตใจก็เป็นนามธาตุเป็นนามธรรมเรียกวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุอีกการหนึ่งนี่เราความไม่รู้ทําให้เราไปขโมยเอาขันห้ามาจากโลกเอามาเป็นของเราพระพุทธเจ้าเลยสอนให้รู้กายให้รู้ใจเนือ มันหนึ่งเห็นกายเห็นใจนี้ก็โลกข้างนอกมันอันเดียวกันนี่เข้าใจความจริงนล้มันจะปล่อยวางมันจะคืนจะสลัดคืนกายคืนใจคืนเจ้าของคืนโลกนั่นเองคืนจักรวาลเข้าไปแล้วมันจะเกิดธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ว่าเมื่อมันปล่อยวางแล้วเนี่ยมันพ้นความปรุงแต่งมันจะไปเห็นสภาวะที่เหนือความปรุงแต่งเพราะงั้นเวลาคนที่เข้าไปเห็นสภาวะ ที่เหนือความปลูกแต่งแล้วพอเราย้อนมาดูเอากลับมาดูโลกกาะถข้างนอกมันเห็นเสมอกระหมดอมนะไม่มีคนมีสัตว์มีอะไรแต่ก็มีโดยสมมุติหรอกเพราะฉะนั้นะการกระทําอย่างพระอรหันต์นะสมัยพุทธกาลหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านภาวนาดีๆอนะไรเงี้ยท่านไม่เห็นม่นมีคนไม่มีค น, ม, ม, คนมีสัตว์นะ แต่ว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ไปอย่างนั้นนะเมื่อจิตของท่านอยู่กรนะธรรมท่านก็ไม่มีคนมีสัตว์อะไรนะก็มีความสุขแต่ถึงคราวจําเป็นต้องออกมาสัมผัสกับโลกเนี่ยเอาขันออกมาใช้นะเป็นความลําบากขันต้องกลับมายุ่งกับโลกแต่ก็ทําไปเพื่อว่าสงเคราะห์ไปอย่างนั้นแหละแต่สงเคราะห์ทั้งๆ ท, ท, ที่เห็นอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรหรอก ไม่มีคนมีสัตว์หรอกนะแต่ความเมตตากรุณา ม, มันเต็มเปี่ยมมันประกอบด้วยปัญญาด้วยเพราะงั้นอุเบกขาก็แนบอยู่เลยนะคนไหนสง่งเคราะห์ได้ก็สง่งเคราะห์ไปคนไหนสง่งเคราะห์ไม่ได้รอไว้ก่อนนะวันเวลาจะค่อยๆให้บทเรียนกับแต่ละคนแต่ละคนแสวงหาความสุขบางคนมุ่งความสุขมากเป็นไม่ยอมดูทุกข์ ปฏิบัติไม่เอาไม่เอาเรื่องปฏิบัติเลยก็ <t> ต้องให้โลกเนี้ยรวมทั้งให้หนรกนะอบรมสั่งสอนให้จิตเราจะผ่านความทุกข์แต่และคนจะต้องผ่านความทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตชีวิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะจะค่อยๆวางจะค่อยๆ ว, วางออกไป เพราะฉั้นถ้าจะพูดไปแล้วการเดินทางในสังสารวัฏนี่ก็คือการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ความจริงของชีวิตของธรรมชาตินั่นเองเรียนรู้ไปเรื่อยเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไปเรื่อยแต่บทเรียนที่ได้รับก็คือสุขก็ไม่จริงมีแต่ทุกข์ทุกข์เยอะสุขน้อยสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวทุกข์อีกและซ้ำซ้ำซ้ำวันหนึ่งใจโอ้เป็นเข็ดขยาดนะ เถิดหลวงปู่เทศท่านเคยเขียนไว้บอกว่าเออท่านตายไปท่านคงไม่เกิดอีกแล้วละ่ะนี่ท่านเขียนบันทึกของท่านนะคนอื่นเอามาเผยแพร่หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วบอกเราคงไม่ต้องเกิดอีกแล้วละ่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีแต่ทุกข์รุนแรงนี่ยประหลาดใจที่เรายัางเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะแยังได้รับบทเรียนไม่พอมีความสุขขึ้นนิดหนึ่งหลงระเริงไประเริงแป๊บเดียวนะเดี๋ยวปัญหาใหม่ๆก็แล้ ความทุกข์ใหม่ก็ามาันจ่อเอาอีกแล้วนะแก้ปัญหานี้แก้ทุกขันนี้ยังไม่เสร็จอีกตัวหนึ่งมารอคิวอีกแล้วช่วงไหนความทุกข์ประดังเข้ามามากเราก็บอกว่าเราทุกข์ช่วงไหนมันห่างออกไปนิดนึงเราก็บอกช่วงนี้สุขนะสุขนิดเดียวเพื่อรอจะทุกข์อีกแล้วนะความสุขของมนุษย์ไม่มีหรอกความสุขเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตลอดเราวิ่งไม่ทันตอนเด็กๆเกคย ร, รู้สึกไหมถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะสุข ท่าอย่างนี้แล้วจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุขเม็นท่าอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยตอนเด็กๆ ก, ก็ถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขจบปริญญาตรีแล้วได้ด็อกเตอร์จะมีความสุขอีกจบมาแล้วได้งานดีๆทําถ้าได้งานดีๆทําจะมีความสุขได้งานดีแล้วถ้ารวยๆก็จะมีความสุขถ้าตำแหน่งใ ห, ใหญ่ๆจะสุขอีกมีแต่ท่าจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุข นะถ้ามีแฟนสวยๆหล่อๆรวยๆเก่งๆนะนี่นิสัยดีๆแล้วจะสุกมันะ้มีแต่ท่าอย่างนี้แล้วจะสุกมีแฟนแล้วถ้ามีรูปไร้ไๆจะมีความสุกอีกมีแต่ท่าอีกแล้ววิ่งตามความสุขทั้งชีวิตเลยวิ่งไม่ทนันมันน่าสงสารนะคนในโลกนะ้ำมันถูกหลอกมานาวความสุขมาหลอกให้เราวิ่งซ่านๆไปนะตกเป็นขี้ข่ามันจิกหัวเราตลอดเวลาเล เห็นแล้วหน้าอนาถเห็นแล้วสังเวชนะจนวันหนึ่งแก่และแก่แล้วนี่มันจะปวดเจมเมื่อยนะอยู่เฉยๆมันก็ป่วยก็เมื่อยตัวตัวของมันนั่หละเนี่ยนึกเลยว่าวันไหนมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยนะมันคงมีความสุขเนะี่ยพอเจ็บหนักๆนะเจ็บหนักๆเนะี่ยโอ้รักษาไม่ไหวแล้ะทรมานมากเลยรู้สึกถ้าตายซะได้จะมีความสุขเนะี่ยไปโน่นแล้วข้ามไปอีกชาติหนึ่งละ เนไหไล่หาความสุขนี้ตั้งแต่เล็ก ๆ, ๆลงมาเลยถ้าได้อย่างนี้จะสุขได้อย่างนี้จะสุขจนสุดท้ายเลยถ้าตายถ้าได้คงจะมีความสุขความสุขเนี่ยเป็นของที่หลอกๆเหมือนภาพลวงตาพวกนี้ล่ะหลอกตาอยู่ไกลๆวิ่งไปเรื่อยนะหาไปเรื่อยแต่ครุบไปหนีออกไปกแล้ว<ม>การที่เราเข้ามารู้ใจของเราเนะเรียนรู้กายรู้ใจเนะี่ยเราจะเห็น ความจริงของชีวิตเราเนี่ชีวิตเราเราอยากได้มีความสุขอยากให้จิตใจมีความสุขหาทางตอบสนองตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่อิ่มไม่เต็มจะขาดตลอดจะพร่องตลอดเลยพุทธเจ้าถึงสอนนัตถิตันหาสมานนัตตีพ่วงน้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีอยากยังไงก็ไม่สมอยากอยากไปเรื่อยแล้วก็ดิ้นไปอยากแล้วก็ดิ้นไปนะทุกข์ตั้งแต่เกิดกันตายเที่ยวหาความสุขเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ ถ้าเรามีสติแค่เรารู้กายเราจะเห็นกายนี้ทุกทั้งวันถ้าเราไม่มีสติเราจะรู้สึกร่างกายเนี้ยนานๆนนทุกทีหนึงเจ็บป่วยแล้วถึงจะทุกขนะ์ถ้ามีสตินั่งอยู่เนี่เดี๋ยวก็ทุกข์แล้วต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเพราะมันทุกข์นั่งแล้วมันเมื่อยเห็นไหมมันทุกข์ต้องเปลี่ยนละเอียดเข้าไปอีกหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์นะหายใจไม่ออกเลยทุกข์หนักเลย หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์อีกแค่หายใจเข้าหายใจออกก็หายใจแก้ทุกข์นะคล้ายเราหายใจเขมเหลวเขมเหลวเขมเหลวนี้ความทุกข์ไปทุกวันทุกวันหรือเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรือ่อยนอนกลางคืน น, ะนอนอยังต้องพลิกไปพลิกมาเลยเพรามันทุกข์นะเรื่งดิ้นหนีความทุกข์ตลอดชีวิตเลยวันหนึ่งหมดแรงดิ้นนะนอนเฉยเฉหมดแรงดิ้นนะความทุกข์ขยี้ตายเลยเพราะฉะนั้นชะีวิตจริงๆทุกข์มากเลย แต่คนที่ไม่เคยเจริญสติจะรู้สึกว่ามันสุขบ้างทุกบ้างก็เทื่ยววิ่งหาความสุขเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนไหนใจกล้ามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเห็นมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยวันหนึ่งใจเราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมันจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งเคยมีคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งตอนเด็กๆอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ มีความรู้สึกว่าบ้านของพ่อของแม่เนี่ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราวันหนึ่งเราโตขึ้นเราจะมีบ้านของตัวเองต่อมาย้ายบ้านยังไม่มีเงินซื้อบ้านไปเช่าเช่าบ้านเช่าบ้านก็รู้อีกเนี่บ้านนี้เช่าเขาอยู่ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงต้องเที่ยวหาไปอีกทำงานไปเก็บเงินไปไปซื้อบ้านได้แต่ที่ดินยังเช่าอยู่บ้านเป็นของตัวเองแล้วแต่ที่ดินยังเช่าอยู่ รู้อีกว่าบ้านนี้ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงวันหนึ่งมีเงินนะจะซื้อทั้งที่ทั้งบ้านได้รู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตแล้วอยู่ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกอีกละว่ามันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงใจเราเนี่ยมันจะมีความผลักดันให้หาไปเรื่อยริ่นไปเรื่อยเคย ร, รู้สึกไหมมันจะรู้สึกอย่างมาทํางานทําตรงนี้แล้วคิดว่าเอาอยู่ตรงนี้แล้วถึงช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแหมมันยังไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ย กระทั้งหลวงพ่อนะหลวงพ่อมาอยู่วัดไปเดิมมาอยู่วัดคิดว่าเรามาทําวัดที่นี่ขึ้นมานะ้เราจะอยู่เราไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายเป็นบ้านที่แท้จริงหรือสักทีพอมาอยู่ไม่กี่วันรู้สึกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วเราเที่ยวหาที่ที่เราจะพ้นทุกข์จริงๆอะเที่ยวหาไปเรื่อยๆนี่คือการเปรียบเทียบบ้านแต่และหลังก็คือพบทั้งหลาย น, นั่นเอง คิดหาไปอยู่ในภพนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่อยู่ในภพนี้มันก็ยังไม่ใช่อย่างเป็นเทวดานะเทวดาเวลาจะตายเพื่อนจะบอกอะไรให้ไปเกิดเป็นคนนะเนี่ยเป็นมนุษย์นั่นแหละดีพอมนุษย์จะตายพักพวกบอกไปเป็นเทวดานะแล้วมันหาบ้านไปเรื่อยหาภพไปเรื่อยหาไปเรื่อยเรื่อยเลยเราไม่พบบ้านที่แท้จริงใจนี่จะหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เคยรู้สึกไหม วันใดที่เราปล่อยวางจิตได้เราถึงจะเจอบ้านที่แท้จริงมอืมมันมนีแรงที่ผักออกไปแแล้วก็พอเริ่มมันรู้สึกรวจะเห็นว่าผลัมแต่ว่าเราไม่วิ่งตามนจะน ร, นนนะรู้ด้วยนะใ่เราจะค่อยคลายออกคลายออกคลายออกเจอท่างใจเราเด่นดวงแล้วนะเด่น ครูบาอาจารย์สอนจิต ท, ที่เด่นรวงอยู่นี่คือภูมิของผ้านาคามีตรงนั้นก็อย่างเที่ยวหาบ้านไม่เจอนะมันไดปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่ยจะเห็นธรรมเห็นนิพพานนั้นเองเห็นสุญญตานะผู้ใดเข้าไปถึงตรงนี้จะรู้เลยว่าที่สุดของทุกอยู่ตรงนี้เองมันจะเต็มอิ่มของตัวเองนักนั้นจะหิวตลอดเลยจะถูกความหิวนั้นผลักให้วิ่งวิ่งวิ่ง แล้วคนในโลกเนี่ยเหมือนคนตาบอดนะถูกกระตุ้นให้วิ่งก็วิ่งไปเรื่อยเลยไร้ทิศทางพวกเราเหมือนกับเราวิ่งอยู่ในความมืดก็จริงนะพระพุทธเจ้าจุดคบไฟขึ้นมาชูไว้นะให้เรารู้ทิศทางว่าต้องเดินทางนี้นะทางที่พระพุทธเจ้าบอกนี้ทางแห่งการรู้กายทางแห่งการรู้ใจรู้เรื่อยๆไปวันหนึ่งเราจะพ้นออกมาเราจะพ้นเป็นลำดับลาดับไปอย่างเบื้องแรกสุดเลย ทันทีที่เราเกิดสติเราเริ่มมีความสุขแนละรู้สึกไหมพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขชลยแผ่วๆขึ้นมานะแล้วต่อไปฝึกไปเรื่อยเลยถ้าจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะนนแรกสุขเพรมีสติจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาว่ามันสุขกว่านั้นอีกวันใดเกิดปัญญาเห็นปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเป็นระยะระยะไปปัญญาเกิดเป็นระยะระยะไป ช่วงที่ปัญญาเกิดแล้วก็จะมีความสุขไปอีกสามวันเจ็ดวันอนี้มีความสุขเยอะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานวันใดเกิดมรรคเกิดมรรคก็มีความสุขอีกนะเนี่ยพอเกิดมรรคครั้งที่หนึ่งจะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเหนะมือนคนตกน้ํากลางทะเลรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางไหนเนี่ยเริ่มปลอดภัยมากขึ้น แ, แต่เหนื่อยนะยังเหนื่อยเยอะนะแล้วก็ว่ายน้ําเข้าฝัง่งว่ายไปเรื่อยเื่ ใกล้เข้าไปไกล้เข้าไปนะก็คือภัสกิกขาขาแต่พอเท้าเหยียบเหยียบถึงชายหาดมันแต่ยังไม่ขึ้นจากน้ํำนะคล้ายๆเท้าหยัง่งหยั่งถึงเขย่งเขย่งถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงอันนี้พอค่อยหายใจได้หน่อยคือผ้าหนาขาขึ้นจากน้ําได้ถึงจะหมดภาระจริงๆเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราเนะี่ยยากลําบากนะเหน็่เหนื่อยแต่ว่ามันลําบากเพื่อจะพ้นความทุกข์พ้นความลําบากทีหลัง นั่นต้องอดทนต้องทำบางคนรู้สึกว่าการจะมาคอยรู้จิตรู้ใจถึงยากยากก็ต้องทำยากเสวันนี้แล้วข้างหน้าสบายข้างหน้าง่ายกว่านี้ทำไมบางคนเรียนนิดเดียวเรียนฝึกเจริญสติไม่กี่เดือ น, น, นเข้าถึงธรรมะได้เพราะเขาเคยลำบากมาแล้วเคยลำบากมาก่อนเราแล้วเขาถึงง่ายทีหลังไม่มีใครที่มีลุกฟลุกนะฟลุกๆลุกแหมปิ้งฟังธรรมะปิ้ง ไม่มีหรอกนะมีญาติหลวงพ่อคนหนึ่งนะหลวงพ่อแทบปิดเขคกบาลมันเลยนะสอนให้ปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะแต่ยพยายามจะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดฟังแล้วกะ ว, ว่าจะได้วักทองวักหนึ่งปิ้งบรรลุไปเลยไม่ต้องทําอะไรนะนี่ใสเสียอย่างนี้นะไม่มีนะาศาสนาพุทธนี่มีแต่ต้องทำเอาไม่มีรูปรุ ก, กนะ อย่างในศาสนาพระโพดมเราเนี้ยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระพาหิยะเร็วที่สุดเป็นแชมป์ในด้านความเร็วศัตรุเร็วกว่าเพื่อนเลยใครๆก็อยากเป็นพระพาหิยะถ้ารู้ประวัติพระพาหิยะคงไม่อยากเป็นหรอกพระพาหิยะเนี่ยก่อนจะมาเป็นพระพาหิยะเนี่ยเกิดสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตอนปลายๆศา ส, สนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแลศาสนา ก, กําลังเสือ่อมสูญขีดแล้ว พระตาอิยาอยู่กับพวกในวัดป่าอยู่กับเพื่อนพระด้วยกันเห็นว่าไม่มีใครปฏิบัติเลยก็เลยชวนกันไปปฏิบัตินะสี่ห้าองค์นี้ไปด้วยกันขึ้นเขาเลยเอาบันไดพาดทําไม้ไผ่พาดขึ้นภูเขาก็ขึ้นถึงยอดเขาแนละ้วจีบไม่ไผ่ทิ้งเลยนะถ้าไม่บรรลุย่อมตายนะเพื่อนองค์หนึ่งสององค์บรรลุพระอรหันต์ไปองค์หนึ่งเป็นท่านาคานะเป็นพรหมสุดแาว่าพระพาอิยาไม่ได้อะไรเลยตายลูกเดียวเลย ตายเพราะฉะนั้นทําจนตัวตายมาแล้วพอชาตินี้พอได้ยินพระพุทธเจ้าสอนนิดเดียวนะขาดเลยพระเจ้าสอนดูก่อนพาหิยะเมื่อท่านเห็นจงเป็นสักว่าเห็นนะเมื่อได้ยินจงเป็นสักว่าได้ยินเมื่อทราบจงเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจงเป็นสักว่ารู้แจ้งในการใดที่ท่านเมื่อเห็นก็สักว่าเห็นเมื่อได้ยินสักว่าได้ยินเมื่อทราบสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งสักว่ารู้แจ้ง ในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านไม่มีในปัจจุบันท่านไม่มีในอดีต ท, ท่านไม่มีในอนาคตนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ท่านสั่งแค่นี้ท่านบนรรลุแล้วจบแต่ก่อนจะจบนะทุลักทุเลนะลำบากเพราะงนพวกเรายอมลำบากสะวันนี้ไม่ได้ลำบากมากแล้วคนที่สนใจศึกษาธรรมะอุตส่าห์ทนขับรถมาฟังหลวงพ่อไกลขนาดเนี้ยคนที่ไม่มีบารมีไม่เคยศึกษาอบรมไม่เคย ฝึกษาปฏิบัติอะไรมันไม่สนใจจะมาขนาด น, นี้หรอกอเพราะนพวกเราฐานเดิมพวกเราก็มีเพรานั้นทาต่อไปอย่าทอถอยนะต้องทำถึงยังไงก็ต้องทำไม่ทำต้องจมน้ำตายตายแล้วตายอีกอ เ, <c oughs> เวลาจะทำทำยังไง ร, รู้กายลงไปรู้ใจลงไปสิ่งที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้ก็คืเอเผลอ มวัวแต่เผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดเนหะลวงปู่ดูเรียกว่าสกจิตออกนอกเผลอไปสง่งจิตออกนอกมวัวแต่ไปดูของข้างนอกไปดูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปดูเรื่องราวที่เราคิดเยนะไปรู้เรื่องราวที่เราคิดนี่ของนอกๆหมดเลยหนะลวงปู่เทศเรียกส่งนอกกับส่งในส่งนอกเนี่ยออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งในนี่เข้ามาทํางานทางใจหนะลวงปู่ดูเรียกอันเดียวเป็นนอกหมดหลวงปู่เทศแยกเป็นนอกกับใน ก็สอนไม่ให้เอาทั้งคู่นะเหมือนกันธรรมะแต่และของครูบาอาจารย์แต่และองค์นะสอนด้วยภาษาที่ต่างๆกันแต่เนื้อหาอเดียวกันหลวงปูทามาตำับมืดที่ปักช่องตรงนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเพราะว่าญาติโยมชัดรู้จักละองคไหนญาติโยมรู้จักกงอยู่ไม่ค่อยนานนะเบื่อโยม หลวงอทาสอนง่ายๆเลยมีสติรักษาจิตไว้จบแล้วตั้งแต่ต้นจนจบแต่คําว่ารักษาจิตเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไว้นะว่ารักษาเนี่คือสตินั่นแหละเป็นตัวรักษาจิตเราไม่ต้องไปรักษาจิตนะสติทําหน้าที่รักษาจิตพระอภิธรรมสอนสติมีหน้าที่อารักขาแล้วสตินั่นแหละเป็นตัวรักษาจิตทันทีที่เกิดสติสนะกูสลดับเองแหละกูสลเจริญขึ้นเองงั้นมีสติเรื่อยๆ บางองค์ก็บอกตื่นไว้ตื่นเท่าไว้ตื่นเท่าไว้ก็คือมีสติได้นเงรู้สึกตัวไว้หลายภาษานะหลายภาษาแต่ความความจริงของการปฏิบัติมันอันเดียวกันหมดเลยนี่พวกเราแทนที่จะฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาวัดป่าเรียกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเราชอบไปทําอะไรอ้อม อ, อมสิ่งที่พวกเราทําไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับกายบังคับใจ ไปบังคับนึกออกหรื อ, อ, อ, อยังว่าที่ปฏิบัติอยู่บังคับมันแกไปบังคับมันยังไม่ได้เห็นความจริงเพราะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันบังคับไม่ได้นะยิ่งฝึกไปเรื่อยเรารู้สึกเราเก่งบังคับได้พวกที่ไปเป็นพระพรหมฝึกเพ่งเพ่งจนนิ่งเลยรู้สึกเราบังคับจิตได้จิตนี้เป็นอัตตาเนี่ยเห็นจิตเป็นอัตตาส่วนพวกเราพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายให้รู้จิตใจของเราไปรู้ไปเรื่อย แล้วก็เห็นความจริงมันไม่เที่ยงนะมันทุกข์นะมันบังคับไม่ได้นะเห็นความจริงเออมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้จริงๆเจี่ยปล่อยวางพ้นทุกข์ก็ปล่อยวางนะไม่ใช่พ้นทุกข์ก็บังคับสําเร็จสร้างเป้าให้ดีเลยนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยมุ่งบังคับบังคับกายบังคับใจที่ว่า that, บังคับได้ดีแล้วสําเร็จไม่สําเร็จหรอกสาคัญผิดของไม่เที่ยงเนีย่ยไปทําให้มันเที่ยงได้ไงของเป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ไง ของเป็นอนัตตาจะให้มันเป็นอัตตาบังคับได้ได้ยังไงใจลอยทรามไหมแค่นิดเดียวไม่ห้ามไม่ว่ามันแค่รู้รู้ไหมจิตที่เป็นอกุศลไม่กี้ใจลอยเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจมันทําของมันได้เองนึก อ, ออกไหมตรงที่รู้ทันขึ้นมาเนี่ยรักษาไว้ก็ไม่ได้รู้สึกไหมจิตที่รู้สึกตัวก็รักษาไม่ได้มีแต่ของที่แปรเปลี่ยนนะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเนดูไปอย่างเนี้ยดูให้เห็นความจริงอันนี้ ทำแล้วทำอีก้ําแล้วทำอีกบางคนมาถามหลวงพ่อว่าทำมาตั้งนานไม่เห็นก้าวหน้าไม่ก้าวไปไหนอดูอยู่ตรงนี้เองทําตัตําๆอยู่แค่นี้แหละหลวงปู่มั่นเขาสอนว่าเนื้อรู้กายรู้ใจซ้ําๆอยู่อย่างนี้แหละทางอีสานเขาก็มีสอนนะอยากทําได้ถามหญิงตําปู่หญิงตําปู่ผู้หญิงทอดผ้าอยากทํำถูกถามเด็กเลี้ยงควายผู้หญิงทอผ้าเขารู้อยู่เฉพาะหน้าแต่ถึงว่ามีสติรู้อยู่ปัจจุบันนั่นเอง รู้ซ้ำแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทอผ้าไม่ใช่ทอนาทีเดียวเสร็จใช่ไหมซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่งั้นเองงั้นเราก็รู้กายรู้ใจซ้ําแล้วซ้ําอีกเรื่อยๆไปในคุณลูกศิษย์วัดสุนันนะใจลอยรู้จักไหมคอยรู้ไว้นะหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ว่าหลวงพ่อให้หัดดูถ้าเรารู้ว่าใจลอยไปแล้วต่อไปพอใจลอยนะเราจะเกิดสติขึ้นมันจะตื่นขึ้นมาเองอ้อเผลอใจลอยไปละ ใจลอยเนี่ยศัตรูหม่เลขหนึ่งเลยเพราะเผลอบ่อยที่สุดคือเผลอทางใจนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อไม่มีแว่นตาดูไม่ออกรู้สึกไปนะรู้สึกใจเราชอบหนีไปนนรงเป็นไงยังบังคับอยู่ไหมรู้ทันนะรู้ทันบังคับ ตอนมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่บ้านบังคับไหมอยู่บ้านลืมไปเลยปะเอองั้นไม่ค่อยดีนะหลวงพ่อต้องถามให้ละเอียดเดี๋ยวเาอยู่บ้านบังคับไหมไม่ได้บังคับหลวงพ่อเออดีคาจริงไม่ได้ดูดูเยอะๆหน่อยนะเยอะๆของโยมเป็นไงเวลากิเลสเกิดรู้บ้างยังอย่างเวลาความโกรธเกิดรู้ไหม ดีนะรู้เรื่ยๆกิเลสเกิดแล้วรู้ โ, รมโมโมโหอะไรล่ะโมโหโตวัวเองอ๋อนั่นแหละกำลังโมโหโธรรมะจ <c oughs> ิตมันโกรธให้ดูนะจิตเป็นครูสอนเราเห็นไหมฉันจะโกรธแกจะทำไมฉันเราไปไปโกรธครูซะ อ, ยอยีกนะว่าแม้ทำไมโกรธเก่ง นับปฏิบัติเนี่ยกายกับใจของเราเนี่ยเป็นครูนะครูที่แท้จริงของเราก็คือกายกับใจเท่านั้นเพราะกายกับใจนี่แหละสอนใจรักเราได้ครูบาอาจารย์อื่นๆสอนใจรักเราไม่ได้เราได้แค่ความจำกับบ้านแต่เราดูของจริงเราจะเห็นใจรักใจลอยรู้ได้ใช่ไหมได้ใช่ได้เนี่ยใจลอยไปแล้วทำอะไรอยู่เมืม่อกี้ทาอะไร ใช่นะแผลไปลงไปคิดพงรู้สึกไโพงพงเป็นไงบ้างาอะไรนะนเออใช่เนะขาเลยสอนไงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวกายกายมันถูกจิตสั่งก็เห็นถูกแล้วล่ะนะ ใครรู้ไปรู้ทันจิตไปเรื่อยมันชอบต่างกายให้ไปทําเรื่องไม่ค่อยจะดีเช่นให้ไปว่าเขาอะไรเงยอ่อเมื่อก็ใครรู้สึกไปนะอ๋อมันสบายดีมันเพลินใช่ไหมอ๋อระวังนะพงศ์มันรู้สึกสบายมันสบายเฉพาะขณะนี้รู้ไหม ถ้าเราฝึกใจลอยฝึกเหม่อเรื่อยๆเราจะต้องไปเป็นสัตว์เดี๋ยวเผลอๆเผ ล, อ, เ ล, อ, เลอดูเห็นหมาประดีตายตอนนั้นนะตายเลยนะถึงฤ ด, ดูนี้ต้องมาไล่กัดกันนะล้วลาบากอยหัดเผลอนะพง ม, มันสบายเฉพาะหน้ามันเหมือนคนไปติดยาขนาดที่ไปเสพยานะ่นหมามันเคริ้มเลิมล ม, มันมีความสุขมันสบายเดี๋ยวยาหมดแล้วมันทุกอีกเราก็ต้องคอยติดยาไปเรื่อยนี่เราแป้งติดเคลิม้ม อย่าไปแกล้งทำใจเคริมเมมันดูเหมือนสุขเพราะว่ามันหลบหนีความจริงของชีวิตไปเวลาเราแกล้งนั่งเมาเราหนีความจริงของชีวิตไปพยายามหันหน้าม า, าเผชิญกับความจริงของชีวิตนะรู้กายรู้ใจเราจะเห็นเลยมันไม่สุขหรอกมันทุกข์แต่ใจถ้าใจเราไม่แข็งพอเราจะไม่หยับดูแต่ดูไว้นะแล้ววันหนึ่งมีความสุขมากเลยเราจะเข้มแข็งแต่ถ้าเราแกล้งเมาไปเรื่อยเเราจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆ สมพงศ์ว่าไงสมพงศ์้ เ, เออจิตมันเกาะอยู่ดูออกไหมอยากหลุดไหมแต่สมพง์ดูออกใช่ไหมว่าเราไปประคองไว้เราไปแตะไว้เกาะเอาไว้ให้รู้ทันมันรู้ทันมันนี่หลงพับแ่หนนะ้โยดีแล้วนะโยอย่ากแกล้งทำอะไร เอาเ น, นี่ยพวกเราชอบมารับซีดีหลวงพ่อนะเนี่ยคนนี้เป็นคนทำให้นะโมท น, นากับก็นหน่อยนะเนี่ยไม่มีคนนี้ไม่มีซีดีฟังหรอกโยเป็นไงก็ออดีนะโยเถื่อบ่อยดีโยดีขึ้นแล้วละ่ะอ้าวยมรวยเป็นไงแล้ อ๋อคุณแอลล่ะคุณแอลเป็นไงหึไม่ยอมตอบดีแล้วล่ะดีแล้วคุณสักล่ะวันนี้รู้ตัวดีไหมวันนี้เออดีก็ดีนะดีหนูพ่อลืมชื่ออีกแล้ ว, เ, วเออนิเวศเป็นไงนิเวศ<ะ>ดีแล้ว like เวลากิเลสเกิดดูได้ไวขึ้นไหม ดีแล้วนะต้องยอมรับความจริงนะดูมันดูไปเรื่อยๆแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะหลบๆอยู่เนี้ยเคยฝึกไหมพยายามรู้สึกตัวเยอะๆนะอย่าให้ใจมันซึมซึมนะให้มันใจจิตใจเรากับปลี่กับเปล่าไว้อย่าปล่อยให้มันซึมนึกออกไหมว่าใจมาชอบไปซึมซึมซให้มันคึกคักไว้นะ อยู่ที่ไหนล่ะนี้ <Okay. S 1> อะไรนะโอ <Okay. S 1> oh, ้มาใกลมากกับใครล่ะอ๋อ <Okay. S 1> oh, มาขนดนี้ไหม <Okay. S 1> คอยรู้สึกตัว่อ ะ, อ, ะอ่านใจตัวเองเรื่อยๆเลยกิเลสอะไรเกิดแล้วรีบรู้ไวๆ <Okay. S 1> ใจลอยเมื่อกี้นี้นึกไ <Okay. S 1> ได้แล้วใช่ไหมรู้จักละอ่ะนี่ล่ะเป็นไงบ้าง ถ้ามันสแกนนะรู้ว่ามันสแกนใช้ได้เลยนะถ้ามันถามตัวเองมันสงสัยรู้ว่ามันกำลังสงสัยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วรู้โลกปัจจุบันด้วยไปอ่าูดว่ามันไม่อยากสแกนอยากมนอยากต่อที่เหมือนไหมเออต่อต่อต่อน่่อยรู้ทันใจตามรู้ไปด้วยนะรู้เล่นเล่นรู้สบายสบาย แบบไม่ซีเรียสนะรู้เล่นเล่นถ้าซีเรียสทำผิดต้องรู้เล่นเล่นอ่ะเอาว่าไงรู้สึกว่าบางสภาวะเรู้สึกได้คอ่าช่ว่างถ้าเราหงุดหมันะ่้ไขาหอมันิปุ๊บมันเหมือนอะไรที่เชนชข้าปุ๊บแล้วมันก็จะสต่วาเียเียบกับช่วงที่เราอ่าใช่ต่างกันต่างกัน ตรงที่พยายามจะไม่เผลอนี่เป็นของปลอมตรงที่ว่ามันหงุดหงิดแล้วไปเห็นความหงุดหงิดปุ๊บมันขาดไปนะตรงเนี้ยของจริงถ้าถ้าเห็นตรงนี้แล้วก็จะดีแล้วล่ะดูบ่อยๆจะไปใจเราจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นจะสว่างโปรงเลยเบาสบายนะรู้ตื่นเบิก บ, บานสงบสาดสว่างขึ้นมาไอ้ของโยมเป็นไงบ้าง เวลาโมโหอะไรยมดูได้เร็วไหมเวลากิเลสมาเห็นได้เร็วขึ้นไหมนี <c oughs> ่ถ้ายมดูไปเรื่อยนะต่อไปพอมันโมโหปุ๊บนะพอเรารู้ก็ใจที่จะโลง่งว่างขึ้นมาเลยแต่ <c oughs> ว่างอแล้วคุณผู้หญิงนี่นะ <c oughs> เออมันธรรมดานะธรรมดานะได้สี่เหลี่ยมนั่นแหละเหมือนกันทุกคนแหละนะขยันดูนะดูไว้แล้วมีความสุข ผู้หญิงจำเป็นต้องหัดนะดูจิตใจตัวเองเนี่ยทำกรรมฐานดีที่สุดเลยจะทำให้แก่ช้าชเพราะว่าคนรุ่มใจน้นหน้าตาเขียวยุน่นเราหัดดูของเราใจเราเบิกบานผ่องใสนะหน้าจะใสจะยุดแก่ๆ ก, ก็ยังใสนะผ่องใสโยทำอะไรื <c oughs> ึทีละโยอย่าดึงไหยเริ่มดึงแล้วดูออกไหม เผลอเราทรงที่รู้ว่าเผลอตรงนั้นพอดีเป๊ะสมพงษ์ทำอะไรอยู่ยสมพงษ์ให้รู้ทันว่าไปสึงไวนะ้ข้าวกลันติดไอ้การสึง น, น, น, นี้นานเลยนองว่าง่า้วันนี้ตรวจการบ้านหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกได้แล้ว <laughs> <laughs> หมดแล้วนี่จ <laughs> ะมากลางเรืองสืถามเหรอ <laughs> ที่ท่านบอกว่าอะไรนะเวลาไม่มีวิธีรักเช่ น, นอมือไมอไม่มีหรอกที่จะกัน้นจิตเสียจากความคิดนั้งทั้งพวงอาอารมณ์ต่างๆยับปุมรุมปิตของข้าพเจ้าอยู่เฉยๆและข้าพเจ้าสงสัยว่าบางคนจะงอกงามได้อย่างไรไม่เห็นต้องแปลเลยเขาบอกตรงๆอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็มีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นกระทั่งพระอรหันต์นะก็มีความคิดอยู่ทั้งวันเลย รู้สึกนึกคิดอยู่ทั้งวันเลแต่ใจนี่นะมันไม่ไปยึดถือมาขนกนะก็อยากอ่การฝึกอนปสที่เาเรียนองนจะแตกต่างกันไม่ต่างกันนะที่จะไปฝึกมาเนี่ยจะต่างกันคือถ้า จะมาเล่าให้ฟังนะหมืนภาพรวมๆเลยแต่ละคนนี่จะมีอารมณ์กรรมฐานที่ต่างๆกันแต่ถ้าทำถูกแล้วมันจะเป็นอย่างเดียวกันมันต่างกันที่รูปแบบของการปฏิบัติแล้เปลือกมันต่างกันยกเป็อย่างมันบางคนหายใจเข้าหายใจออกรู้การหายใจถ้ารู้เป็นนะเราจะต้องฝึกอย่างนี้นเราจะเห็นเลยร่างกายนี้มันหายใจ ใจของเราเป็นคนดูมันคล้ายๆใจเราเป็นคนดูเห็นในตัวนี้มันนั่งหายใจอยู่เนี่ยอย่างนี้ใช้ได้มันแยกรูปแยกนามนะเนี่ยเดินต่อไปได้หรือว่าหัดสังเกตหายใจเข้าหายใจออกเพื่พักเหนื่อยจิตเราจะนีไปคิดจิตมันนีไปคิดรู้ทันว่านีไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้หายใจเพื่อจะรู้ทันจิตแจของเราหายใจสักพักหนึ่งจิตเราเคลิ้มเคลิมรู้ว่าจิตเคลิ้มเคลิมหายใจไปจิตสงบรู้ว่าสงบ หายใจไปแล้วจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติหายใจแล้วจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขหายใจแล้วเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเยหายใจแล้วเผลอไปรู้ว่าเผลอไปหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตรู้ทันใจของเรานะอย่างนี้ได้แต่ถ้าหายใจไปเพิ่มริบดีรีบดใช้อะไรไม่ได้กนะ็หายใจเพื่อจะรู้ทันใจนะครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกลมหายใจหมายถึงว่าพอลมมันหายนะเข้าถึงใจ ตอนหลังพอเราเห็นจิตเห็นใจเราเราก็อทิ้งลมได้แล้วมาดูท้องล่ะดูท้องพองยุบไป เ, ปเไหมืเนกันไม่พองยุบสักพักใจก็หนีไปคิดเหมือนกันรู้ทันว่าจิตมันหนีไปละะพองยุบสักพักหนึ่งจิตไหลเข้าไปเพ่งท้องเหมือนกับที่หายใจอ่ะหายใจสักพักจิตไปเพ่งลมหายใจนี่พอมาดูท้องจิตก็ไปเพ่งท้องเรารู้ทันว่าจิตไปเพ่งท้องอย่างนี้ก็ใช้ได้ ดูท้องพองยุบไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดูพองยุบไปนะเห็นท้องมันพองท้องมันยุบจิตของเราเป็นคนดูแล้วจิตของเรานี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์็นงวนอย่า ง, ง น, นี้เนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้นะดูร่างกายเคลื่อนไหวยกเทา้ายกเทา้าย่างเท้ายกไปเดินไปด้วยเดี๋ยวใจก็หนีไปที่อื่นรู้ทนันไหมจิตดีไปแล้วนะเดี๋ยวก็ลงไปเพ่งเทา้ารู้ว่าไปเพ่งเท้า เดินไปแล้วเกิดปีติมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีามปีติมีความสุขใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยรูปแบบนั้นต่างๆกันแล้วแต่ผลิตนี่ใสแต่หลักก็อันเดียวกันอ่ะคือจะต้องเรียนถึงกระทั่งเข้าถึงจิตถึงใจตนเองให้ได้หลวงปู่เทศเคยสอนบอกผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองเนี่ยถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติไม่งั้นจะได้แต่เปลือกเปลือกเข้าไปเพ่งกันรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจให้จิตนิ่งรู้ท้องของยุบก็ไปเพ่งท้อง เดนจงกรมก็ไปเพ่งเท้านะขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนหลวงพ่อเตียนขยับแล้วรู้สึกตัวเนี่ยพวกเรารุ่นหลังก็ไปขยับแล้วไปเพ่งมือถ้าจิตมันไหลไปเพ่งมือรู้ว่ามันไหลไปเพ่งมือจิตนี้ไปคิดขยับไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยกรรมฐ า, านอะไรก็อันเดียวกันนั้นแหละก็คือต้องแยกรูปแยกนามกายอันหนึ่งกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนรู้เสร็จแล้วจิตใจเนี่ย แต่ปลวนตลอดหนีไปนู่นหนีไปนี่เราก็คอยรู้ทันนะที่เคยปฏิบัติกูกอเนี่ยยอัดมากมมก็ถ้าไม่ถูกจริญจะไไอึดอัดอืมใ ช, ออใช้อะไรก็ได้นะเนี่ยอาจา ร, รย์หน่องเนี่ยคิดขึ้นเองนะนั่งนั่งนวดตัวเองเอย่างเงี้ยนั่งทุบๆเนี่ยนั่งแล้วมันเมื่อยก็นั่งนวดไปนะพอใจลอยรู้ว่าใจลอยไป ล, ลนะ นวดไปแล้วไปเพ่งจ้องลงไปจ้องลงไปรู้ว่าเพ่งลงกปแล้เหมือนกันอะไรก็ได้นะบางคนเนะ่ยเอาก้อนตรวดเล็กๆใส่ไว้ในนิ้วเนี่ยขยับอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกตัวขยับไปแล้วใจลอยไปแล้วรู้ทันขยับแล้วใจทื่อือๆลงมารู้ทันกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันแหละเพราะงั้นไม่ต้องนั่งทะเลาะเลยว่าอันไหนดีนไหนไม่ดีนะถ้าทําถูกแล้วมันเข้าไปที่เดียวกันคือเข้ามาถึงจิตถึงใจของเราเลย นะทำไมต้องเรียนให้ถึงจิตใจว่ากิเลสเกิดที่จิตความทุกข์ก็เกิดที่จิตนะมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่จิตนี้แหลนะถ้าเรียนอยากให้ไปไวๆแล้วเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจไม่ได้รู้เนี่ยค่ะชอบคิดแบบตอนนี้ฉันโกรธนะตอนนี้อ่มันชอบบรรยายมันห้ามไม่ได้ใจมันจะคิดห้ามไม่ได้แต่ว่าฝึกไปเรื่อยเลยจะเห็นเลยว่าเป็นภาระในการที่ต้องคิดอะ อย่างมันโกรธขึ้นมาแเราก็เนี่ยโกรธอีกละเนี่ยมันจะลึกโกรธหนออะไรเงี้ยนมะันเป็นภาระใหม่ๆไม่เป็นไรหรอกพอถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นไปมัวด็กคิดเมื่อไหร่จิตจะตกจากอารมณ์ประมัดจิตจะลืมการรู้รูปนามาว้รู้สึกว่ามนคมอันนั้นอาการที่เราเรู้วรู้สึกไหมมือมันก็ตัวอะไรตัวหนึ่งใช่ไหม มีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เนอย่างนั้นนะมันเริ่มแยกออกมาแนละ้วแล้วต่อไปมันจะเห็นนะไอ้ตัวที่กำลังพยักหน้านีาน่นะมันก็เป็นตัวที่ถูกรู้ถูกดูใจมันเป็นคนรู้คนดูการปฏิบัติเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามนะเพราะว่าปัญญาเบสิกที่สุดเลยพื้นฐานที่สุดเลยชื่อว่านามรูปปริเฉยทยามปัญญาแยกรูปนามกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งต้องแยก ไม่งต่อไปขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงจะได้ไปเพ่งอย่างเดียวเช่นเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไหลไปรวมกับลมไม่ยอมแยกแต่ถ้าแยกรูปแยกนามเนี่ยเห็นไอ้ร่างกายเนี้มันหายใจจิตเราเป็นคนดูมันหายใจจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปจิตมันโกรธจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูจิตเป็นคนรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันโกรธจะเห็นอย่างนี้ตลอดะค่อยฝึกไปนะไม่ยากหรอกฝึกไป แต่ว่าไม่ใช่ให้ไปเพ่งตัวผู้รู้นะนะเห็นเอ้ <A> นี่อารมณ์คนดูมันอยู่ตัวนี้หันมาเพ่งไงตัวนี้เพ่งตัวนี้ไม่ได้นะผิดปวดหัวเลยพ่อคะคือว่าบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมีอารมณ์ความรู้เกิดขึ้นมันเป็นสองชั้นอ่าเป็นสองชั้นแล้วพอแบบมันเหมือนกับว่าเอ้ทุกมันต้จะเกิดนะฉันจะไม่เข้าไปเยอะแต่พอแบบว่าพอมันเริ่ม กระโดดเขาไม่ยืนเข ม, มันก็เหลืออันเดียวใช่แล้วมันไม่ยืดนาเราห้ามไม่ได้เพราะใจของเรามันยังโง่จิตของเรายัางโง่ไม่มีปัญญาอพอเห็นแล้วเนี่ยมันเข้าไปยินดียินร้ายมันไปเกลียดไปกลัวความทุกข์มั น, นมยิ่งเกลียดยิ่งกลัวนะเกลียดอะไรก็ได้อันนั้นแหละเพราะถ้าใจเป็นกลางดูไปโอ้อย่าหายนะขอดูนานๆอความทุกข์เกิดขึ้นอย่าเพิ่งหายนะขอดูนานๆมันจะหายไปเลย แต่ถ้ากลัวพยายามดึงพยายามจะแยกตัวออกนะรับเดียวมันก็ดูดเข้าไปเพราะว่าใจเราไม่เป็นกลางหลวงปู่เทศสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์เห็นไหมใจเราไม่เป็นกลางเห็นทุกข์แล้วเราไม่ชอบก็กระโจนเข้าใส่ทุกข์เลยง่ายโยมลวยลืมเนื้อลืมตัวนะไปกลับบ้านไปนอน อ่ายมรวยไปเดินเดินเยอะๆเคลื่อนไหวอาเคลื่อนไหวต้องมีงานให้ทําหรือมีคนคุยด้วยก็ตากสว่สงสางกระดูกระดิกไว้ยนะยมรวยกระดูกระดิกไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวนะฟงใจลอยรู้ไหมเมื่อกี้นี้นึกออกแล้วใช่ไหมนู่นหนักคุณที่มาจากสัตว์อีบนะ่ะเหลือไปแล้วรู้สึกไหม เนี่หัดอย่างนี้นะหัดคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆโ น, น่นโน่รื้อตัวเองแล้วนะ <c oughs> เอาคุณวิยาดาเป็นไง <c oughs> เห็นไหมคุณวัชรนันนะ่ะใจลอยไปแปบบ๊บดูออกไหมเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชายข้างหลังนะคอยรู้สึกนะต้องรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสําคัญที่สุด ถ้าหลวงพ่อพูดเรื่องรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ทําสมถะนะคนละเรื่องกันนะว่าคนได้ยินหลวงพ่อพูดแต่เรื่องรู้สึกตัวก็เลยนึกว่าห้ามทําสมถะไม่ใช่ช่วงไหนเรารู้จิตใจเราได้เราก็รู้จิตใจของเราไปช่วงไหนรู้จิตใจไม่ไหวก็รู้ร่างกายไป<น>เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเห็นมันหายใจไปเราเป็นคนดูเนี่ยเห็นท้องมันพองมันยุบไปเราเป็นคนดูแยกกันมีคนนึงดูไว้ ถ้าจะตรงนี้ยังไม่ไหวก็ทำสมธาธสมาธาเช่นหายใจเข้าหายใจออกใจเค้าอยู่กับลมหายใจหรือพุโทโธพุโทโธไปนะอะไรนะเผลอหมดเลยใช่เพราะงั้นเวลาเราเผลอเนี่ยเป็นอกุศลขนาดนั้นขาดสติจิตมีโมหะฟุ้งซ่านหนีไปคิด นีพจิตหนี้ไปคิดเนี่ยถ้าคิดเรื่องชั่วนะก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเป็นอกุศลซ้อนอีกถ้าไปคิดเรื่องดีก็เป็นโลกียะกุศลเป็นกุศลได้เพรา ะ, ะนั้นอกุศลอย่างความเผลอเนี่ยทําให้เกิดกุศลก็ได้นะเช่นเผลอไปนะลื ม, ล, มลืมดูจิต ด, ดูใจไปใจลอยคิดคิดไปแต่คิดเรื่องดีคิดเรื่องธรรมะคิดเรื่องทําบุญเรื่องอะไรอย่างเงี้ได้เป็นกุศลแต่เป็นโลกียะกุศล แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันกายรู้ทันใจของเราคนละอ่านกันเป็นกุศลอีกชนิ ด, นดหนึ่งเป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลแบบหลงๆไปที่จริงแล้วเราเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนเราฟังเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นแหล ะ, ะถัดจากนั้นเนี่ยนะเราต้องฟังอีกแบบหนึ่ง ยังมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆอ่ะจะต้องฟังไปคิดไปถ้าไม่คิดไม่รู้เรื่องนะต่อมาฟังไปเรื่อยๆแล้วลองหัด ส, สังเกตเดี๋ยวใจเราก็ไปฟังเดี๋ยวก็มาดูหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวฟังนิดนึงแล้วก็หนีิดคิดเนี่ยเราจะเริ่มรู้ทันจิตของเราพอเรารู้ทันจิตว่าเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดอย่างเงี้ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องลนะธรรมะเนี่ยที่หลวงพ่อพูดนี่จะเป็นธรรมะของปลอมไปหมดเลย แต่ธรรมะของจริงก็คือการที่ใจเราเนี่ยเกิดดับเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปในโลกของความคิดถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเอาตรงนี้ไม่ต้องฟังหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเคยบอกผู้หญิงคนหนึ่งนานแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อถามเขาว่าข้างบ้านมีหมาสักตัวไหมหมาปักหลอกๆโอ้มีเนะห่าทั้งคืนเลยบอกต่อไปนี้เวลามันเหานะ่าแล้วคอยฟังมันไว้ ฟังแล้วโมโหมันนะรู้ว่าโมโหใช้ได้แล้วนะหัดไปอย่างนั้นแหละฉันฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายอะไรไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องเพราะธรรมะเรียนด้วยการฟังไม่ได้แต่เรียนเนี่ยฟังไปเพื่อหัดรู้สึกเท่านั้นเองพอรู้วิธีที่จะรู้สึกจิตใจของเราเปลือไปอย่างนั้นเปลอไปอย่างนี้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงรู้จิตใจของเราได้แล้วนะไม่ต้องฟังล้วดูของจริงเลย พระทธเจ้าถึงสอนเนี่ยบอกว่าเราเป็นแค่ผู้บอกทางขนาดพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือโอปะนะยีโกนะน้อมมาดูกายดูใจตัวเองพอเราดูกายดูใจตัวเองแล้วเนี่ยเกิดปัจจิตังเวทิตาโพบิจุหิบิจุชนรู้เองเพราะฉะนั้นธรรมะต้องรู้เองรู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราต้องเห็นเองลำพังพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยธรรมะจะเข้าไม่ถึงใจเราเช่นพระพุทธเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นทุกข รูปนามกายใจเป็นทุกข์เราไม่รู้สึกนะเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่หลวงพ่อ บ, บอกแต่ถ้าเราหัดรู้กายมีสติรู้กายไดนะ้เห็นเลยกายนี้ทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถมีความทุกข์บีบคั้นทุกข์ลมหายใจเข้าออกมันทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวสุขแนละ้วจิตนี่ล่ะพระเจ้าบอกว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆมันเห็นต่อหน้าต่ อ, ตอไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าจิตเราเที่ยงนะจิตของเราคนนี้กับจิตของเราเมื่อปีกลายก็คนเดิมนะั่นแหะ ต้องหัดดูถึงจะเข้าใจธรรมะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเรียนได้วิธีเดียวด้วยการเข้าไปประจักษ์กับสภาวะไปเห็นสภาวะต้ไปรู้รูปนาม ได้ได้ใช่ได้แต่ถ้าใจเราลำคาญมันรู้ว่าลำคาญ น, นะถ้าเราเห็นความคิดเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจเราเป็นกลางกับมันรู้ว่าเป็นกลางคอยรู้ทันจิตไหมนะสิ่งที่มาไปรู้ต่างๆนาๆน า, น, า, น, านี่เป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นล่อให้จิตของเรากระเพื่อมบ่นไบเพราะงั้นเมื่อจิตของเรากระเพื่อมบ่นไบขึ้นมาเราคอยรู้ทันอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งงั้นอย่างเรานั่งกําหนดลมหายใจไป ใจแล้วจิตเราฟุงา้งซ่านรู้ว่าจิตเราฟุงา้งซ่านอางนี้ใช้ได้ะแต่ถ้าจิตมันฟุง้งซ่านแล้วเราโมโหด้วยรู้ว่าโมโหนะเียรู้ลงไปอย่างนี้ไม่ได้ไปฝึกให้มันนิ่งลูกเดียวหรอกฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันนั่งหายใจอยู่คุณรู้สึกไหมถ้าคุณรู้สึกตัวนะคุณจะเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งหายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอก เป็นเป็นเหมือนกับเปลือกอะไรที่จิตมาอาศัยอยู่มันหนีไปคิดทราบไหมจิตมันหนีิปคิดทราบไหมไี่ให้คอยรู้ตอนนี้ดูเหมือนยากนะความจริงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จิตไปแอบไปทำอะไร ร, รู้รู้ตามมันไปด้วยในตอนนี้มันหนีไปคิดทราบไหมมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดแค่นี้เองนะไม่ได้ยากหรอก ถ้าคุณหัดไปอย่างซื่อๆนะหัดโง่ๆดูไปเรื่อยอะ่ะจิตมันทําอะไรตามรู้ตามดูไปเรื่อยไม่ห้ามมันไม่แทรกแต่ในเวลาไม่นานเราจะเข้าใจธรรมะเราจะเห็นว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงจิตเป็นของทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้จิตเป็นของบังคับไม่ได้นี่จะเห็นธรรมะนี้ถ้าสมมติว่าดูดูไปแล้วไม่เห็ น, ห อ, นอย่างที่าาทาอาจารย์คือท่านาจารย์บอกว่าให้ดูแล้วหเห็นว่าจิตจิตกับร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่าเวลาเราดู าตรบกายได้ได้รู้สึกแต่มันเป็นยังไงรู้สึกอย่างั้นดูไปตื่นแล้วเบิกบานก็ไม่เที่ยงนะแล้วภาหนึ่งก็หายนี่ไหมหนีใจรักไม่ลดไม่รอดหรอกคือบางทีฟังแล้วงงเได้งงงงงก็รู้ว่างงเลงงก็รู้ว่างงลงเป็นปัจจุบันแเวลาเรียนซ้อมๆกันไม่เหมือนกันนี่นะแต่คนฟังซ้อมๆกันมันยุ่งใจลอยแล้วหนองทราบไหม อย่าท้อใจนะห้ามท้อแท้นะเห็นไคนที่สร้างบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระมหาชนกนะตกน้ำทะเลไม่เห็นฝั่งไม่ยอมตายไม่ยอมจมน้ำอุตส่าห์ไหวนี่คือคนที่ฝึกใจไม่ยอมท้อถอยเจอกบความยากลาบากก็ไม่ท้อถอยพวกเราก็ต้องฝึกนะปฏิบัติถ้ารู้สึกมันเบือ่อนายท้อแท้รู้ทันเลย ขี้เกียจปฏิบัติแล้วรู้ว่าขี้เกียจเข้าไปเลยเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อเข้าไเลยอย่าเลิกนะดูลูกเดียวเลยหลวงพ่อชาท่านก็สอนนะขยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็รู้นะขี้เกียจก็รู้ไปเลยนะอย่าเลิกนะอย่าให้ความท้อแทะครอบงําได้ลําบากแค่ตอนนี้ข้างหน้าจะได้สบายถ้าตอนนี้จะเอาสบายเดี๋ยวลาบากทีหลัง เวลาเกิดชาตินี้ไม่บรรลุนะสมมติชาตินี้ไม่บรรลุไปเจอพระศรีอานนะเอาเพื่อนเขาฟังท่านนิดเดียวเขาบรรลุกันหมดแล้วเรายังต้องเริ่มใหม่ชักช้าเป็นเริ่มตั้งแต่วันนี้นะกําลังแก่รอบแล้วก็พ้นไปเลยถ้าไม่พ้นก็จะไปเจอพระศรีอานไปเรียนต่ออีกนิดหน่อยต้องทำนะไม่ทำไม่ได้เอาคุณผู้ชายข้างหลังนะรู้ไหม คุณเนะ่ยเสื้อขาวอะ่นะเออใจลอยไปนะรู้สึกเนี่ยรู้สึกอย่างเนี้ยมงคลเกิดแล้วมงคลเอาคุณผู้หญิงเสื้อเกี่ยวอะ่ะรู้สึกไว้นะใจมันหนีไปไม่ได้ไม่ได้มันไปไปม า, มานะเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะเวลามันหลงไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลเราห้ามมันก็ไม่ได้มันจะเกลอไป เวลาที่มันรู้สึกตัวเป็นกูสนเราก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะงั้นมีแต่ของไม่เที่ยงในที่สุดเราจะเห็นเลยว่าจิตจะเผลอไปแนละ้วก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ฝึกเพื่ออยากให้เที่ยงนะของมันไม่เที่ยงจะไปฝึกให้มันเที่ยงไม่ได้ฝึกให้มันดีนะ น, นี่ไงเราฝึกให้มันดีมันฝืนธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าสอนขันห้า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็อยู่ในขันธ์ห้านะจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นอนัตตาเรียนให้เห็นความจริงแล้วปล่อยวางความพ้นทุกข์อยู่ตรงปล่อยวางความพ้นทุกข์ไม่ได้เกิดจกากการไปบังคับของไม่เที่ยงให้เที่ยงของเป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขของบังคับไม่ได้จะไปบังคับไม่ได้ไม่ใช่นะเพราะั้นรู้เพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยสุดท้ายได้อะไรมาได้ความเข้าใจ ได้สัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองได้ปัญญาได้ความเข้าใจเราเข้าใจความเป็นจริงนะจิตจะปล่อยวางเองพระพุทธเจ้าเคยสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสสนาปัญญานะเห็นกายเห็นใจจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแล้วก็ปล่อยวางได้ดไมันปล่อยของมันเองนะเราอย่าไปแก้งปล่อยนะให้มันปล่อยเองแต่ใจเราจะยึดทุกเรื่อง ยึดโน่นยึดนี้ยึดกระทั่งความเป็นคนดีอย่างบางคนก็ยึดเรื่องปฏิบัติจากปฏิบัติพออยากปฏิบัติปุ๊บลงมือไปเพ่งเอาไว้เลยจ้องเอาไว้ลงมือทําความดีคือไปจ้องไว้ความปรุงแต่งมีสามอันเคยเรียนไหมวิชาปัจจญาสังขาราสังขารคือความปรุงแต่งมีสามอย่างปรุงแต่งฝ่ายชั่วปรุงแต่งอกุศลนะปรุงแต่งฝ่ายดีเช่นปรุงแต่งการปฏิบัติทำขึ้นมา ทำโน้นทำนี้ขึ้นมาเพื่อให้จิตมันดีให้จิตมันสุขมันสงบเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีรักเงาของมันก็คืออวิชชานั่นะถามว่าปรุงแต่งฝ่ายดีแล้วได้อะไรได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้มักผลไหมไม่ได้เพราะอาวิชชาไม่กระเทือนเลยอวิชชาสอนให้เราปรุงแต่งอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวสุขเป็นตัวดีงั้นเราก็เลยปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาเพื่อหาความสุขมาให้ตัวเองคนชั่วก็ไปเที่ยวหาสแสวงหาอารมณ์ต่างๆวิ่งแย่งอันโน้ น, นแย่งอันนี้อยากโน้อนอยากนี้ไปเลยคิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่ดีมาแล้วก็จะมีความสุขอย่างม้ากัดกันแย่งตัวเมียคิดว่าได้ตัวเมียมามีความสุขอะไรเงี้ยหรือคนแย่งกัน ตีกันแย่งผลประโยชน์กันกล่าวว่าได้มาแล้วมีความสุขนี่ปรุงแต่งอย่างโลกโลกเลยพวกเข้าวัดพวกนี้จะปรุงแต่งการปฏิบัติคือเห็นว่าลําพางการเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยยังไม่ให้ความสุขที่แท้จริงถ้าเราบังคับกายบังคับใจควบคุมมันไว้ได้แล้วเราจะมีความสุขเพราะงั้นพวกเราจะเริ่มมาปฏิบัติธรรมด้วยการเริ่มบังคับตัว อ, องจิตไม่สงบบังคับให้สงบจิตไม่ดีจะทำมาให้มันดีให้ได้ นี่ปรุงแต่งฝ่ายดีจะได้เป็นคนดีไม่นิพพานหรอกอีกพวกหนึ่งฉลาดไปอีกเห็นว่าตราบใดที่ยังต้องรู้อารมณ์อยู่นะจิตยังกระเทือนถ้ายังกระทบแล้วต้องกระเทือนพวกนี้ได้ฝึกเข้าอารูปเรื่องอนเนินชาที่สังขารฝึกหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์มเพราะนี่ยวิธีหาความสุขมเลยมีสามแบบอันหนึ่งกระโจนเข้าไปคลุกกระโลกเลยอันที่สองรักษาจิตใจของเราไว้ อันที่สามหลีกเลี่ยงการกระทบไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยนี่เป็นวิธีหาความสุขของคนในโลกรากเนงาของมันคืออวิชชาคิดว่าตัวเรามีจริงๆจะหาความสุขมาให้ตัวเราแต่ถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยล้างความเห็นผิดไปล้างอาวิชชาไปมันก็หมดความปรุงแต่งค่อยเรียนนะยากแต่ว่าสิ่งที่ง่ายก็คือหัดรู้ใจของเราไป ทั้งวันเลยเท่าที่รู้ได้มันจะรู้บ้างเต๋อบ้างคุณอย่าตกใจนะมันจะรู้บ้างเต๋อบ้างเป็นธรรมดาอย่าตอนเนี้มันเต๋อไปคิดแล้วทราบไหมแค่นี้ยรู้สึกไหมตื่นเป็นอย่างนี้แวบตะเกียนั่นแหละคือภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นอะแวบเดียว น, ะนะนั้นแหละต่อไปเราจะตื่นขึ้นถีน่ขึ้นถี่ขึ้นถีขึ้ น, น, น, นจนเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันเลยอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม <c oughs> อ้าวันนี้พอนะ